อย่างไรก็ตามเรื่องความรับผิดชอบใส่ใจช่วยกิจธุระในหมู่สงนี้อาจแยกประเภทเพื่อจัดระดับความสำคัญได้เป็นสองอย่างคือ ก, กิจธุระภายในสงที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีหรือกิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะซึ่งบึงเอาใจใส่ช่วยเกื้อกูลกันในฐานะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักสร้างความสามคัคคีซึ่งเรียกว่าสารานิยธรรมข้อที่ให้ตั้งเมตตากายกรรมต่อกันคือช่วยเหลือกิจธุระกันเกื้อกูลกันช่วยรักษาพยาบาลกันในยามเจ็บไข้เป็นต้นและตามหลักสารานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อว่านาทะกรณธรรมในข้อ กินกรณีเยสุทักคตาคือขยันช่วยเหลือกิจทุระของผู้ร่วมหมู่คณะหรือของชุมชนไม่ว่าเรื่องน้อยไม่ว่าเรื่องใหญ่เอาใจใส่ขนขวายทุกอย่างข้อขอกิจการเกี่ยวกับสงฆ์ซึ่งกระทบถึงประโยชน์สุขหรือความเจริญมั่นคงของส่วนรวมทั้งหมดหรือเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอันพึงปฏิบัต ตามหลักอาปาริหานิยธรรมอย่างน้อยสองข้อแรกคือมันประชุมกันหนึ่งนิดและพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมพร้อมกันพร้อมเพรียงกันทากิจกรณีของสงข้อนี้มาจากบาลีว่าสมัครคาวุฒหิตสันติแปลนัยยะหนึ่งว่าพร้อมเพรียงกันออกทำงานและอีกนัยยะหนึ่งว่า พร้อมเรียงกันเลิกประชุมสำหรับกิจทุระประเภทแรกคือกิจธุระภายในสงฆ์ถ้าพิสูุ์รูปใดนิ่งดูดายไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือย่อมถูกตำหนิติเตียนและอาจยกขึ้นเป็นข้อกล่าวโทษเพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผลและแนะนำตักเตือนได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นงานนั้นมีผู้รับผิด ช, ชอบโดยเฉพาะจัดทาได้อยู่แล้ว หรือมีผู้ที่ช่วยเหลือจนวนมากพอแก่การและพิสุนั้นมีกิจสำคัญของตนเองอยู่คือสุดแต่เหตุผลสมควรดังตัวอย่างเรื่องพิสุใหม่รูปหนึ่งในเวลาบ่ายเข้ากุฏิอยู่เงียบพิสุทั้งหลายทำจีวรกันไม่ออกมาช่วยพวกพิสุจจึงไปทูลกล่าวโทษเธอแด่พระพุทธเจ้าพระองค์โปรดให้เรียกตัวเธอมาสักถามสงทราบว่าเธอบาเพ็ญฌาน ก็ตรัสมาให้ภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอหรือบางคราวคนหมู่มากวุ่นกังวลกับเรื่องของส่วนรวมอย่างไร้จุดหมายไม่ได้สาระภิกษุที่เร่งปฏิบัติธรรมเงียบอยู่ไม่มาวุ่นกับหมู่ก็ยังชื่อว่าทําตัวถูกต้องกว่าส่วนกิจทุระประเภทที่สองคือกิจการเกี่ยวกับสงไม่มีข้อยกเวน้นเพราะเป็นกิจสงโดยตรงเมื่อสงประชุมดําเนินกิจ ที่เรียกว่าสังฆกรรมภิกษุต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเรียงกันหากอาพาธหรือมีเหตุให้เข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องมอบฉันทะแกะสงฆ์ดังนี้เป็นต้นแต่ในการร่วมขวนขวายจัดดำเนินการที่เป็นส่วนรายละเอียดจะต้องคำนึงถึงและให้โอกาสแกบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ควรรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆด้วย คือจะต้องดูต้องฟังต้องหวังที่บุคคลเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นการไม่ตระหนักใจไม่คานึงถึงพระเถระผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีฐานะที่จะรับผิด ช, ชอบเข้าเจ้ากี้เจ้าการทําวุ่นไปท่านว่าเป็นทางเสื่อมอย่างหนึ่งของผู้ยังเป็นเศคเรื่องของศีลทางด้านสังคมซึ่งอยู่ในฝ่ายของวินัยนั้นย่อมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตด้านนอกทั้งหมด เท่าที่จะช่วยทำสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปกิจการทั้งหลายของหมู่ชนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ควรจัดได้ให้มีสภาวะที่เกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตด้านในและสอดคล้องกับการที่ชีวิตด้านในที่เจริญงอกงามนั้นจะสะท้อนผลดีงามออกมาแก่ชีวิตด้านนอกคือเหมาะแก่การที่ทุกๆคนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิ ปัญญาโดยเฉพาะจะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญเพื่อจะได้ประสบชีวิตที่มีความสุขแท้จริงพร้อมด้วยจิตใจที่เป็นอิสระผ่องใสเบิกบานในท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยเรื่นรมและร่มเย็นเป็นสุขศีลระดับวินัยที่ได้บัญญัติวางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสำหรับเป็นแบบแผนแห่งความเป็นอยู่ หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนามีแบบอย่างที่เด่นชัดคือวินัยของสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาและสังเกตจะเห็นว่าวินัยบัญญัติของสงฆ์ไม่ใช่สีในความหมายแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันง่ายๆแต่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วๆไปที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของพิสูจสงฆ์ทุกแง่ เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าที่และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงการดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงพร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดให้ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหาจัดทรรมเก็บรักษาแบ่งสรรปัจจัยสี่เช่นประเภทต่างๆของอาหาร ระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหารการทำจีวรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวรประเภทของยาการปฏิบัติต่อพิสุจอาพาธข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้การจัดสรรที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยระเบียบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยการดำเนินงานและรับผิดชอบในการก่อสร้าง การจัดผังที่อยู่อาศัยของชุมชนสงคือวัดว่าพึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดใดบ้างระเบียบ ว, วิธีดำเนินการประชุมการโจทหรือฟ้องคดีข้อปฏิบัติของโจทจําเลยและผู้วินิจฉัยคดีวิธีดำเนินคดีและตัดสินคดีการลงโทษแบบต่างๆและอื่นๆอีกมากว่าโดยสาระ วินัยก็ได้แก่ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมู่ชนหนึ่งที่จะให้หมู่ชนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดีสามารถมีชีวิตยอยู่ตามหลักการของตนและสามารถปฏิบัติกิจดําเนินการต่างๆเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตนเมื่อพูดในวงกว้างตามโมหานปัจจุบันวินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครองการบริหาร การสารนิติบัญญัติการเศรษฐกิจการศึกษาเป็นต้นทั้งหมดเท่าที่ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใช้ปฏิบัติเป็นทางการโดยตราไว้เป็นธรรมนูญกฎหมายประกาศหรือคำสั่งต่างๆด้วยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนาวินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้ซึ่งระบบชีวิตทั้งหมดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนา และเป็นที่อํานวยโอกาสให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดําเนินไปได้ด้วยดีวินัยของพิสุสง์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สง์เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือพิสุสามารถเจริญงอกงามได้รับประโยชน์ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่สง์ก็ยังอยู่เมื่อสง์ยังอยู่ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้จากระบบชีวิตแบบพุทธ ก็จะยังคงอยู่โดยเหตุผลในยะนี้ความเคารพสง์การถือสงค์และกิจของสง์เป็นใหญ่ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและประโยชน์สุขของสง์จึงเป็นเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมวินัยสำหรับพิสุสงค์ที่เป็นส่วนแกนของสังคมพุทธท่านได้บัญญัติวางสำเร็จรูปไว้แล้ว ส่วนวินัยแบบพทธชนิดขยายเต็มรูปสำหรับสังคมรอบนอกเป็นเรื่องที่พึงนาเอาเจตนารมณ์ของวินัยนั้นมาบัญญัติจัดวางให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ตามยุคสมัยดังตัวอย่างที่พระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นต้นเคยทรงพยายามจัดทรมาแล้วเมื่อเข้าใจศีลระดับวินัยดีแล้วก็จะรู้จักแยกได้ระหว่างศีลที่เป็นธรรมกับศีลระดับวินยัย ศีลที่เป็นธรรมก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมส่วนศีลระดับวินัยก็เรียกง่ายๆว่าวินัยแล้วก็จะเข้าใจว่าเหตุใดแต่เดิมท่านจึงเรียกพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าธรรมมวินัยและเหตุใดธรรมและวินัยจึงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา